fm 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆจะช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันในทุกๆวันศุกร์เลยนะคะ4ี่นาฬิกาถึง4ี่นาฬกาสามนาทค่ะเติมเนินรายการค่ะดิฉันทีเร า, าดียิ่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุ้ยนะคะผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ณัทพงษ์ชูไทยนะคะอาจารย์จิตวิทยาค่ะก็วันนี้เราสองคนก็มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องของจิตวิทยานะคะสวัสดีค่ะลุงยุย้ย สวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมนะคะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะด้วยอาการป่วยเนาะพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเราก็ป่วยเป็นเรื่องปกตินะครับฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถึงจะป่วยในเรื่องราวของเจตวิทยาเราก็มีมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะก็วันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังเนี่ยหลายๆครั้งที่รายการของเรากรับลุงพูด อยากให้คุณผู้ฟังคิดบวกอยากให้มองลกในแง่ดีคิดบวกเยอะวันจะคิดลบหรือไงใช่เราจะพูดในมุมที่มันตรงข้ามกันบ้างว่าจริงๆเราเคยพูดไปว่าเออลองคิดบวกดูคิดบวกแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเราชีวิตเราจะดีขึ้นยังไงเราจะมีความสุขแค่ไหนเราจะไม่เครียดไหมแต่คราวนี้เราพูดในมุมตรงกันข้ามนะคะในเรื่องของการคิดลบบ้างว่าถ้าเราคิดลบเนี่ยชีวิตเราจะเป็นอย่างไรบ้างต้องติดตามฟังนะคะลุง คือคนเราทุกคนเนี่ยสามารถคิดได้ทั้งลบและบวกใช่ไหมคะเค น, นี้แต่ละคนเนี่ยค่ะลุงใครจะคิดบวกได้มากกว่าคิดลบได้มากกว่าเนี่ยมันมันยังไงอ่ะคะลุงมันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนค่ะต้องต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วก็น้องทีอย่างงี้ก่อนครับว่าคําว่าคิดลบเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดนะค่ะถูกไหมครับเพราะว่าบางทีนในการคิดลบเนี่ยเช่นเราคิด คิดไม่ดีไว้ล่วงหน้าบางทีมันก็เป็นการทําให้เรารู้จักการป้องกันน่ะค่ะถูกไหมครับแต่คิดบวกกับมันดีอยู่แล้วล่ะเราเราพูดเรื่องคิดบวกบ่อยมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าถามบอกว่าคนเราทั้งคิดทั้งบวกและลบได้ใช่ไหมใช่นะครับใช่เลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะคิดอะไรมากกว่ากันหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนอยู่ที่สถานการณ์แล้วก็อยู่ที่ระบบความคิดนะัตอนนั้นว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้าง คนบางคนที่เขาคิดลบเน่ยคิดยังไงเขาก็คิดบวกไม่ได้อืมเป็นไปได้เลยแต่สำหรับคนที่คิดบวกเนี่ยเขาก็จะคิดลบได้ยากมากคือติ้งลากมามันก็คือคิดบวกอันนั้นติ้งมาก็คือลบๆบบหมดเลยครับครับอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเราเราดูตรงนี้ได้ง่ายเลยนะว่าคนคิดบวกกับคิดลบดูดูบุคลิกอะดูพฤติกรรมดูบุคลิกคนเดินมาหนึ่งคนถ้ามีรอยยิ้มอมยิ้มเจอหน้าใครก็ อาจจะทักทาย ร, รู้จักไม่รู้จักไม่รู้คุยกับนักการพันลงยามอันนี้เราเราพอจะมองออกว่าเออเว้ยเฮ้ยคนนี้มีมุมมองที่ดีเนาะนะครับแต่ถ้าบอกว่าเดินมาถึงเห็นดูขยะสิดูไอ้นั่นสิอันนี่บนอะไรเป็นอะไร ก, ก็เป็นปัญหาไปหมดใช้ครับวันนี้มันก็จะเป็นติดลบไง แค่หยิบแล้วก็ทิ้งใส่ถังก็คือจบละ่ะแต่ก็จบบนได้ถูกต้องลูทีเยอะแยะนู่นแล้วก็ไปพูดอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคนคิดลบกับเรื่องง่ายๆเลยนะคะคนที่คนที่เขาคิดลบกับคิดไม่ดีเหมือนกันไหมคะลุงคิดลบกับคิดไม่ดีน่าจะไปด้วยกันได้นะครับ <ขา S 2> ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพอเวลาคิดลบปุ๊บเนี่ยมันก็หาเรื่องคิดดีๆยากอืะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถือว่ามีนักศึกษาคนหนึ่ง เดินผู้หญิงนะครับเดินไปกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ขึ้นโรงแรมค่ะแนวโน้มที่จะคิดบวกมันน้อยเหลือเกินอ่ะค่ะถูกไหมครับจริงเขาอาจจะมาประชุมก็ได้นะคะอ่าใช่ไงถ้าอย่างเราอย่างเราเนี่ยมันมีประสบการณ์อย่างน้องที่มีประสบการณ์อาจจะโรงแรมนี้เขาจัดประชุมดูสิสวยหรูนะห้องประชุมเป็นย่งนี้คุณคิดบวกไปเลยค่ะถูกไหมครับหรือไม่ก็ไม่ต้องคิดนะคะลุง หรืไม่ได้คิดก็เป็นเรื่องของเขาไหมไม่ไม่คิดอะไรถือเป็นคิดบวกไหมคะไม่คิดอะไรเลยเอคิดบวกก็เห็นเขาเดินเข้าโรงแรมไปก็ก็เรื่องของเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงเราคิดบวกไหยจริงคือไม่ลบไม่บวกแต่ว่าเป็นกลางถูกไหมครับไม่ได้ไปคิดนะตรงนั้นค่ะนะครับถ้าบวกคือมันต้องเป็นในแง่ที่ค่อนข้างจะสร้างสรรค์อ่๋อครับแต่ถ้าเผูดว่าลบก็คือในแง่ในแง่ที่ ที่ดูดูไม่ดีแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นคือกลางๆเราหนึ่งเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเราไม่รู้จักเขาอย่างที่สองเรื่องของเขาใช่ครับกเราอจอคนเยอะแยะทําไมเราต้องไปคิดทั้งที่เราไม่รู้จักเขาออะืเห็นไหมเขาบางทีไม่จำเป็นต้องคิดบวกไม่จำเป็นต้องคิดลบแค่คิดให้มันน้อยลงชีวิตก็ชีวิตก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะครับเพราะอะไรคนเราถึงไม่ควรที่จะคิดลบมาคะลุง อย่างที่เราคุยกันนะครับทั้งลุงยูและน้องทีเนี่ยอยากรู้เรื่องขอคนอื่นมากขึ้นเอย่างวิเคตเมื่อกี้เราตกลงเขามาทําอะไรกันเออเวลานี้เราก็ไม่ทํางานเหรออันนี้สามีภรรยาเขาจะรู้ไหมเราคงนั่งคิดเี่ยทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยทั้งหมดทั้งมวลที่น้องทีพูดมาเมื่อเกียมันคือเรื่องที่ทําให้เรื่องไม่เป็นเรื่องในใจมันมีขึ้นมาไงค่ะ ทำให้เรารู้สึกวุ่นวายใจไปด้วยหรือว่าคุณคุณไม่มีงานทำหว่าอ mm. ื่ไหมคุณคุณคุณทำไมต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นล่ะทีจริงอ่ะถ้าลองเอามาวิเคราะห์กับตัวเองเนี่ยเรายังมีอีกตั้งเยอะแยะเรื่องที่เราสามารถที่เราต้องทําอ่ะค่ะ mm. นะครับแต่เรามักจะพอเวลาไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันขวางหูขวางตาหรือรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยถูกใจเราเราจะ สมองเราจะไปละค่ะหมรับมันมันจะคิดไปโดยอัตโนมัติจะไม่ให้คิดไม่ได้เลยเหมือนกับเวลาที่ลุงสอนนักศึกษาเนี่ยลุงจะถามบอกว่าสามบวกสี่เป็นเท่าไหร่อือยากคิดมันอยากคิดได้ไหมครับไม่คิดแล้วลุงจะถามทําไมเอ่ยเอเยไหมคือคือกําลังกําลังจะแบบว่าอยากคิดแล้วแล้วคนถามเขาจะถามทําไมถ้าไม่ให้เราคิดลุงกําลังจะบอกว่า เมื่อมีข้อมูลเข้ามาในสมองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มนุษย์เราคิดทุกเรื่องอเพียงแต่ว่าเรื่องไหนที่คิดแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเราก็จะรีเจคหรือทิ้งไปะเห็น ไ, ไหมครับอืมแต่แ ต, แต่แต่ในมุมกับกันว่าถ้าถ้ามีคนถามอย่างที่ลุงถามเมื่อกี้นะคะคแล้วเรามีหน้าที่ต้อง ต้องคิดเราก็เราก็ควรต้องต้องตอบนะคะไม่ใช่ว่าไม่คิดใช่ใชคือกําลังจะบอกว่ากรณีศึกษาหรือว่าในแต่ละเคสเนี่ยมันมันเข้ามาไม่ใช่ว่าถามอะไรแล้วเราไม่คิดอะไรไงเราก็เฉยๆยซึ่งอีกคนเขาอาจจะรอคําตอบอยู่ก็ได้เหมือนกันถูกถูกครับบางทีก็ต้องดูดูดูในแต่ละกรณีว่าฉันไม่ได้ใส่ใจใครเลยฉันไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดแวดล้อมว่าเขากําลังสนใจเราอยู่เปล่าถูกไหมครับค่ะ คำถามสุดท้ายของเบรกแรกคะ่ะลุงคนที่เขา<บ>คิดลบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทายังไงเขาก็หาวิธีคิดบวกไม่ได้เลยใช่ไหมคะอือก็อย่างที่เราคุยกันแต่แรกแนละ้วมันมันคิดยากอะ่ะนะครับในเมื่อมันเห็น ไ, ไ, ไ, ไอ้นูนไอ้นั่นเป็นลบไปหมดอะ่ะบางทีคิดลบแมกก้กระทั่งตัวเองแต่มันจะมีวิธีคิดบวกได้อย่างไงคะถ้าเราคิดลบเราเป็นคนคิดลบทุกเรื่อง ก, ก็เราก็สามารถนะครับถ้าเบอกว่าเราค่อยๆฝึกเช่น ถ้าเมื่อเมื่ อ, อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเห็นเรื่องบางเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะ่ะค่ะซึ่งไม่เห็นจะต้องคิดลบเลยแล้วเกิดวันนั้นเราไม่ได้คิดอะ่ะเอาแค่ไม่ต้องคิดก่อนไม่ต้องคิดบวกนะเอาแค่เราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องลบเนี่ยค่ะพอเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเอยเ อ, เอวันนี้ทาไมเราไม่คิดลบวะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นน้ำหนึ่งและช่วยกรณาให้กาลังใจตัวเองด้วยว่าเออวันนี้เราทาดีไว้ตรงนี้ค่ะ ไม่มีใครให้กำลังใจเราดีเท่าตัวเราเหรอกครับคุณให้กำลังใจตัวคุณเองไปก่อนเออทำไมวันนี้เราไม่คิดลบกับเรื่องนี้เนาะเออเ อ, อถือว่าเราเริ่มต้นละเราเริ่มต้นละได้ อ, อีกหน่อยการคิดบวกมันจะค่อยๆเริ่มต้นได้นั่นหมายถึงว่าคุณต้องฝึกคิดนะคะไม่ใช่ว่าคิดลบก็ คิดมาถึงทบทวนความคิดของตัวเองเหมือนกันถ้ามีว่าเอ๊ะทาไมเราคิดแบบนี้เราลองคิดแบบนี้ดูไหมมันไม่ได้สามารถมาได้อัตโนมัตินะคะถ้าคิดลบตลอดเราต้องหัดใช่ครับคิดบวกบ้างนะคะก็พักกันก่อนดีกว่าครัคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาฟังเราทั้งสองคนต่อในช่วงของเบรกที่2ค่ะครับผมสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายโโยัา ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวัตกรรม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 866ห5 9 1นึ่งที่รักมีอะไรในใจหรือเปล่า ทำให้เธอดูซึมเศร้าเมื่อลอยไม่ค่อยพูดเจอทั้งทั้งที่ตัวฉันก็ไม่ได้ทำป็นอะไรเลยนะเธอมากลายเป็นเย็นชาหรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลไปอยู่ดีดีก็บอกเราต่างกันมา ก็บอกเรายากเกินจะเข้าใจเธอรู้ไหมฉันก็เคยใช้คำเหล่านี <Ooh. S 1> ้เพราะฉันเคยทิ้งใครนอกใจเข้ามาหาเธอเขาก็ตาเจอกับความเย็นเธอจะเชอ ว่าเธอหน้ามีใครปิดบังไว้เธอรับใจ จะดึงเธอไว้ใจเธอมันเปลี่ยนไปฉันก็กลายเป็นแค่เพียงคนเกา่าส่วนตัวฉันก็คงต้องยอมรับความปวดรา้าวเคยทำกรรมไว้กับเขากลายเป็นเธอมาเอาคืนให้ยันสาสออยู่ดีๆก็บอกเราต่างกันมา บานทีก็บอกเรายากเกิดจะเข้าใจเธอรู้ไหมฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้เพราะฉันเคยทิ้งใครนอกใจเข้ามาหาเธอเขาก็ต้อเจอกับความเย็นชาจตเชอ เธอนำ บ, บีใครปิดบังไว้เธอรอใจ เข้ามาสู่ช่วงที่สองของจิตวิทยากับครูย้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงการคิดลบนะคะเราได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังไปแล้วแหละว่าคนเราเน่ยมันสามารถคิดได้ทั้งบวกและลบนะคะคือคิดลบกับคิดไม่ดีบางทีถ้ามาด้วยกันนี่ก็ชีวิตคนนั้นก็คงจะแย่เหมือนกันนะคะลุงม <ใน S 1> <laughs> องอะไ ร, รก็คงจะแย่ไปหมดถูกต้องเลยนะครับเราเราก็จะไม่ไม่มีความสุขเอาอย่างงี้ดีกว่าอืมแล้วก็ในช่วง เบรกที่สองเราจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังพูดว่าไอ้รูปแบบของการคิดลบเนี่ยคนเรามันคิดลบนี่ยมันมีรูปแบบในการคิดลบอะไรบ้างคะลุงรูปแบบของการคิดลบอันแรกเลยที่อยากจะพูดถึงคือการคิดแต่เรื่องไร้ไร้อ ะ, <ท>ะนะครับอันอันแรกเลยอยากจะบอกเลยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนเขาไม่ได้คิดกันอะแต่คุณก็คิดไปได้อะ่ะนะครับกับเรื่องไร้ไร้ทั้งหลายแหละเนี่ยมันทําให้สุขภาพจิตคุณแย่ะ<ท>ะนะครับอันนั้นคืออันที่หนึ่งเลย นะครับอันที่สองพอคิดเรื่องร้ายเสร็จไม่โทษตัวเองนะครับโทษคนอื่นไงถูกไหมครับโทษคนอื่นคนนั่นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่ไอ้ น, นั่นดูซินี่คือไม่ได้มองตัวเองเลยแต่ว่ามองคนอื่นหมดเลยว่าคนอื่นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเผื่ว่ามองคนอื่นแล้วคิดบวกนั่นแหละมันมันอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เรากำลังพูดเรื่องคิดลบแล้ววิธีแก้ค่ะลุงวิธีแก้วิธีแก้ก็คือต้องถามว่า คนเหล่านั้นนะ่ะเขาเขาได้ทำอย่างนั้นตลอดเวลาไหมคุณอาจจะไปเจอในสถานการณ์ตรงนั้นพอดีถูกไหมครับค่ะอาจจะไปเห็นตรงนั้นแล้วก็ไปเหมารวมกันทั้งหมดใช่ครับคือบางทีเนี่ยนะครับไปมองจุดใดจุดหนึ่งของมนุษย์นะครับภาษาทางจิตวิทยาในกลุ่มแ ก, สก๊สซอสเขาบอกว่าการุณามองส่วนรวมให้สาคัญกว่าส่วนย่อยรวมกันอ่า น, นั่นหมายความว่าถ้าบอกว่าคุณไปมอง จุดเล็กๆจุดเดียวของเขาเนี่ยทั้งที่เขามีความดีอีกตั้งเยอะตั้งแยะอ่แต่พอคุณนึกถึงจุดเล็กตรงนี้พวกคุณก็จะมีความรู้สึกมันแย่ว่ะไปจำแต่สิ่งแย่ๆของเขา่าถูกต้องแล้วก็มาเหมารวมว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นทั้งทั้งที่ได้เห็นหรือได้รู้จักนิดเดียวก็บางทีก็แค่ฟังจากคนอื่นมาก็ก็เหมือนกันนะคะคุณฟังฟังว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยกันเลยแล้วก็ไปคิด ไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคล้ายๆกับกับ first impression ของแต่ละคนเหมือนกันนะครับว่าภาพสใจของแต่ละคนถ้า เ, เกิดติดลบไว้ตั้งแต่แรกแล้วต่อให้กว่าจะเป็นเพื่อนกันได้กว่าจะท น, นสนมแล้วมาพูดคุยได้เฮ้ยเมื่อสองปีที่แล้วนะเว้ยเราไม่ชอบนายเลยว่ะเห็นไหมครับแต่ก็ได้ได้คุยกันก็ยังถือว่าก็ได้ได้สะสางเรื่องราวตรงนั้นออกไปนะครับค่ะ คนที่เขาคิดโทษคนอื่นทุกเรื่องอย่างนี้ยคะลุงก็ถือว่า ค, คิดลบตลอดใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นมาก็เพราะสิ่งแวดล้อมเพราะเธอเพราะเพื่อนเพราะอาจารย์เพราะวันนั้นฝนตกฉ<อ>ันก็เลยมาสายคือไมคอ่คือคือคือไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขใจเลยอ่ะคนะครับถ้าบอกว่าคุณอยากจะมีความสุขปากบอกอย่างมีความสุขอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นคําถามแรกเลยที่ลงุงท่านเป็นลุงเจอคนเหล่านั้นลุงจะถามว่า เออคุณเคยมองใครในแง่บวกบ้างล่ะตัวเขาเองไงคะถูกไหมครับตัวเขาเองดี็อเปนืมคนพวกนี้จะมองตัวเองดีตัวเองถูกใช่ไหมคะถ้าโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งเลยแต่ขนาดเดียวกันบางทีก็มีบ่นกับตัวเองอยู่เหมือนกันทาไมตรงนี้เราไม่ดีวะก็คือโทษทั้งคนอื่นโทษทั้งตัวเองอย่างนี้เหรอโทษทั้งคนอื่นและโทษทั้งตัวเองอืมนะคะวิธีแก้ละคะลุง วิธีแก้ก็คือหนึ่งคือคุณจะต้องเข้าไปสังเกตรหรือเข้าใจหรือว่าศึกษาคนเหล่านั้นเพิ่มขึ้นกว่าภาพผิวเผินไห ม, มนะครับถ้าคุณมองผิวๆแล้วคุณผ่านไปคุณก็จะเจอไอ้ผิวที่คุณคิดว่าติดลบบวกด้วยความรู้สึกของคุณหมายถึงเขา้อยคนอื่นนะนะคะลุงใช่ครับใช่แต่ถ้าบอกว่าสมมติว่าเอาลกตัวอย่างเช่นผ ม, มว่า ลุงลุงไม่ชอบบางทีเลยดูเว้นนู้นนี่นั่นๆัไม่ดีไปหมดแต่วันหนึ่งเราถูกจับให้มาทำงานร่วมกันทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วลุงเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยคุณก็มีน้ำใจตรงนี้นี่หว่าเพราะอะไรลุงถึงมองเห็นก็ดูจากพฤติกรรมที่เราได้สัมผัสกันไงมันเปลี่ยนความคิดได้เลยหรอคะลุงเปลี่ยนคิดลได้าที่เราสัมผัสน้อยไง สัมผั์น้อยแบบผิวเผินเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้ใช้ไม่ได้ค<ะ>แต่พอเข้าไปทํางานกับเขาปุ๊บเราได้เห็นเขาบอกว่าความยากลําบากเนี่ยมันจะทําให้คนเรารู้จักกันมากขึ้นเข้า<ะ>ใจไหมครับ<ะ>ถ้าเราลําบากมาด้วยกันเราต้องประสบปัญหามาด้วยกันเราต้องเผชิญกับนู่นนี้นั่นและแก้ปัญหาไปร่วมร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีกับอีกฝ่ายนึง นะครับค่ะก็เป็นวิธีการในการคิดลบนะคะบางทีมันก็คิดได้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาว่าถ้าเราคิดลบเราจะเปลี่ยนวิธีอย่างไรบ้างบางทีไปรู้จักเขามากขึ้นก็ช่วยให้เรามองเขาในแง่ดีขึ้นได้เห็นเขาหลากหลายมุมอาจจะปรับปิดปรับเปลี่ยนวิธีคิดแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงกันข้ามลุงถ้าเราคิดบวก ถ้าเราเป็นคนคิดบวกบวกทุกเรื่องออืชีวิตเราจะมีความสุขหรือว่าโลกเราจะสวยขนาดไหนคะลุงคือไม่อยากจะให้เป็นโลกสวยมากนะแต่แต่คนที่เขาคิดบวกเยอะๆเนี่ยเขาจะถูกว่าประจําว่าโลกสวยอ้าวใช่เพราะฉะนั้นบวกแค่ไหนมันถึงจะพอดีกับตัวเราบวกบวกที่คนอื่นเขาคิดกันแล้วเป็นกันนะครับคือไม่อยากที่จะให้ นูนก็ดีโมไอ้นั่นก็คือบางทีเนี่ยต้องต้องท่าผู้ฟังครับต้องใช้ขอโทษที่ใช้คํานี้คือบางทีมันดัดจริตไปนิดหนึ่งนะครับกับกับไอ้สิ่งที่ไอ้สิ่งที่คุณคิดคิดเป็นแบบอะไรก็ดีถจนมันงองแงงงองแง ง, งงจนมีความรู้สึกว่าเอ้าเฮ้ยคุณคุณไม่ไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงนี่ว่ะค่ะคือถ้าโลกความเป็นจริงเนี่ยครับมันบวกได้มันลบได้แล้วมันกลางได้ขึ้นอยู่กับว่า เราอยู่สถานการณ์ตรงไหนและเราใจเราตอนนั้นมันเป็นยังไงค่ะนะครับแต่คิดบวกอ่ะอย่างที่เราสองคนคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะมันทําให้ตัวเองสุขใจอยู่แล้ววิธีเช็คง่ายที่สุดคือทําไปแล้วคิดไปแล้วมีความสุขปะนะครับแต่บางทีมันทําร้ายเรานะคะคิดบวกลุง คือเรามองเขาดีเกินไปในขณะซึ่งเขาอาจจะมาหวังผลประโยชน์กับเราหรือบางทีเราอาจจะคิดน้อยเกินไปนี่ไงหรือว่าบางทีเราไปเจอคนไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะลุงเราก็ยังเห็นว่าเขาดีขวกแย่เนาะเช่นสมมติว่าเกิดเกิดเกิดมีคนมาทำงานบ้านที่บ้านเราเห็นไหมครับแล้วในสูตรสมมุตินะของหายโดนขโมยแล้วคนงานนั้นเอาไปแล้วปรากฏว่าเราก็คิดบวก เขาคงจะไม่มีละให้เข้าไปเถอะอย่างนั้นไหมมันไม่ใช่อะค่ะบางทีมันมาในรูปของการหลอกลวงกันเขาทำดีเขาทาดีให้เราเห็นว่าเขาน่าจะดีทั้งๆที่จริงๆมันมันออกมาทั้งทั้งดีและร้ายอย่างเงี้ยค่ะลุงอ่าครับอืมไม่งั้นก็คงจะไม่ได้มีข่าวๆ่าวในเรื่องของการหลอกลวงกันเกิดขึ้นนะคะก็กลังจะบอกคุณผู้ฟังว่า ไอคิดบวกเนี่ยจริงๆมันบางครั้งมันมีผลร้ายกับกับเราเหมือนกันมันมีครับมีทั้งสองอย่างอยากให้คิดทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียแล้วก็เผื่อใจไว้บ้างแล้วกลับมาคิดที่แบบกลางๆนะคะบางทีถ้าเราคิดแบบนี้มันอาจจะทําให้เราปลอดภัยใช้โลกตามใช้มองโลกในแบบของความเป็นจริงนะคะเลยมากคือโลกก็จะไม่สวยหรือว่าคิดร้ายก็มองคนอื่นในแง่ร้ายอย่างเงี้ยนะคะลองคิดกลางๆดูไม่คิดลบก็ถือว่า ก็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมครับลุถือว่าดีแล้วครับเพราะว่าถ้าเราคิดตามความเป็นจริงแล้วก็ จัดสถานการณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ช่วยนิดเดียวคือถามตัวเองว่ามีความสุขหรือ ย, ยังตรงนั้นก็พอใจละอืเอามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวดีๆจากเราทั้งสองคนนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแต่ว่ามาติดตามกันได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์นะคะสี่นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสามิบนาทีค่ะดิฉันทีเราวัสดียิ่งมีค่ะ